ออกพัาเดนบเป็นวโดยมาเป็นแรมแทเดน 11. เป็นวันสมถานสิลตามปกติก็เป็นวันพระสมทานสินของขนาาันธสาญาติโยมแต่ท่านผู้ใดก็ตามทาวันในพรรษาตั้งกิตอิษฐานว่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถสินล หรือจะรักษาทิ้ห้าตลอดไปมาสามเดือนใปดขนบันตราแปดคำฉุพหะ 8, 15, คำเขาไปเจ้าจะรักษาตลอดไปครบไตรมาสชั่ววันพระแปดคําุพหะคำแต่ถ้าว่ามันในแปดคำฉคนั้นมันตกหลนไม่สมบูรณ์วันนี้ก็รักษาทิน เ, เบิดคดีหลังใดในการจะ้ะม า, า, าทดแทนทดแทน ที่มันขาดตกตกผอมในจิตในใจของพวกเราอันนี้ก็ก็ดีเพื่อจะให้บริสุทธิ์บริภูรณ์ขึ้นแต่ตยังไงออกพรรษาหรือไม่ออกพรรษาคุณงามความดีของพวกเรารควรจะประกอบสมเสมอๆให้ประกอบการกุศลให้สเสมอๆโอเคไหมพ่อ เกิดแก่เก็บตายไม่ได้เลือกประเวณออกพรรษาไม่ได้พรษาเขาแก่ไปทาสภาพของเขาไปได้เลยกับพร้อมที่จะเจ็บในทุกโอกาสแต่พร้อมที่จะตายในทุกเวลาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ใ น, น, นละรภุกระสานานท่านว่าไม่ให้ตัอยู่ในความประมาทแต่ว่าพวกเรานำทำคำเศั้อนของพระพุทธเจ้านำบอกมากล่าวเหมือนกับมามามมาขู่ มาบอกให้กันกรัวแล้วก็ให้ยอมเสียสละหรือไม่ให้สัสมถ้าคนคิดในแนวแถวของที่เด็กคิดนะก็จะต้องคิดอย่างนั้นแต่ถ้าว่าคิดแนวแถวทำมัก ท, ทงความซับซ้อนแล้วไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเพราะการประกอบคุณงามความดีมีลากภายการคิดไม่คิดไปในทางที่ชั่ว จะดลบอยา่างใดของเขาไม่คิดพยาบาทกรองร้ายเขาไม่คิดออกนอกอู่นอกทางเหตุผลจะทำร้องคลองทาอันนี้ก็เป็นบุญกุศลทางจิตใจแล้วในการพูดก็เหมือนกันในเมื่อคิดดีแล้วการจะกระทําออกไปไม่ข่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์อย่างนี้ไม่ละล่วงละเมิดเป็นสามีพรรยาคนอื่นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นการกระทําที่ดีแล้ว แต่การพูดเหมือนกันพูดไม่พูดชอเสียพูดคำยาบไม่พูดโกหกต่อแหลหลอกลวงอันนี้ก็เป็นคุณงามความดีแล้วเพราะนั้นก็ไม่เห็นว่าที่จะต้องคมขูม่หรือว่าบอกก่ากันว่าจะต้องเสียสละเงินคำทรัพย์สมบัิไม่ใช่อย่างนั้นั้นถือเป็นส่วนประเด็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อเราต้องการความสุขความพาัฒน์ในการดูมมกันในหลายหมูหลายณะ เราต้องมีการเฉลิอเผื่อแผ่การนั้นเป็นของธรรมดาเมื่อเราอยู่กับพ่อกับแม่ ก, กับครอบครัวกับมากับไก่เนอยู่ในบ้านของเราเราก็ต้องเฉลิบเผื่อแพ่ต่อสัรพสัตต น, นั้นสรพพสัสตา น, นั้นจึงอยู่กับเราได้แต่ถา้าเราไม่มีการเฉืิบเผื่อแพ่ใครจะอยู่กับเราได้เพราะนั้นอันในน้ําใจคือการเชื่อถือนั้นคือชวนหนึ่งแต่ชวนคุณงาความดีนั้นถ้าพิจารณาดูแล้ว มีมากมา ย, ายหลายอย่างที่พวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงในความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้คิดถึงเลยตอนนี้ความทุีคูณของจิตใจมันจะเพิ่มดีปลีโลภโกรธโกรุอย่างมากมายทาโลณแล้วึ้นเหมือนกับมีเ่าไอยากจะตายทั้งหมด ถ้าโกรธให้ไขได้ก็โกรจนตาดําตาแดงไม่คิดว่าตัวเองจะตายจากเขาถ้าหลงก็หลงหมดหลงทุกสิ่งทุกอย่างาในความน่าหลงรักโมเมาว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายป่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายสามีภรรยาลูกทั้งหลายเงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายว่าเป็นของเราอนนี้มันหลงไปหมดจะตามไม่กิงในหลักของพุทธะแล้วพบได้ยาว่าอย่าหลง เินไปนะสิ่งเหนั้นจิตัวันหนึ่งขอไม่จัเราก็ต้องจับเรามจาเขาก็ต้องจากต้องคิดทำใเอาไว้อันนี้ถ้าเรามีความคิดอยู่เช่นนั้นดูเสมออุณภูิความร้อนในใิ ใ, นใจของพวกเราก็จะรถลงคือมันจะอยู่ในปริมาณและปริมาตรพอดีพอดีเพราะเราคือสิ่งเห่านั้นคืออรร สิ่ที่เราไปสมพันทำผันนั้นคืออะไรแต่ถ้าว่าเราไปลงในสิ่งเหล่านั้นมันโรธมันก็จะโกรธโกรดมันก็จะโกรธรักมันก็จะรักในสิ่งเหล่านั้นจนไม่มีช่องทางที่จะไปได้มันก็เพิ่มปริมาณความร้อนในจิตในใจของเราพร้อมที่จะทำความช่วในทกอย่างอยูในเมื่อมันกจิตเดมันร้อนขึ้นมาแล้วมันระเบิด เพระท่านสิ่งเหานี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรารู้จักประมาณตนรู้เขารู้เรารู้สิ่งดีรู้สิ่งชั่วให้หารอนาคตไปภายภาคดาวชีวิตของเราจะยืงยาวไปสักเท่าไราเราจะเป็นโลกอะไรมากมายนับหนาเราจะเป็นครูอะไรให้เขาอะไรมากมายนับหนาเราจะเป็นโลวอะไรมากมา ย, า น, มา ย, มายนับหนาสิ่งเหานี้เรา มีชีวิตอยู่เราจะต้องทำดีที่สุดในฐานะที่เราจะต้องทำได้าดยไปจะฐานะไหนสถานะเราเป็นพระเป็นพระในฐานะไหนเป็นฐานะที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าอาวาสเราก็ต้องทำดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพระอยู้ในวัดเราก็ต้องทำดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพี่น้องประชาชนคนในชาติพ่อแม่ เราทำนาทีพ่อแม่ให้ดีที่สุดในว่าเราเป็น ล, ลูกเราก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดถ้าทุกคนพยายามคิดมาข้าพิจารณาจะต้องทําดีที่สุดก็ว่าทําดีที่สุดนั้นจะเอาอะไรมามาวัดอีกเราก็ต้องเอาศีลธรรมเอาศีลธทําของพระพุทธเจ้ามาวัดมาลังวัดทาให้เอาศีลธรรมมาวัดแล้วเราก็ต้องพยองพองตัวอีกเหมือนกันว่าข้าเป็นเจ้าทําดีแล้ว แต่มันตปเยบอย่างคนอื่นเขาโดยที่ว่าเร า, าดีที่สุดอแต่ว่าเราคือมนึนคิว่าการดีของเรานั้นเออไปอยู่บนหัวของเขาหรือเปล่ า, าไปอยู่บนบ่าเขาหรือเปล่าเดีวไปอยู่บนหลังเขาหรือเปล่าอันนี้ถ้าว่าเราใครกตดกคนก็ต้องมีกีดอยู่ในจิต ใ, ใจอยู่แล้วโงกโดดง่โงมันมีอยู่ใ น, ในใจิตใจแล้วเพราะนั้นมันต้องเข้าขาตัวเอง ในการเข้าข้างตัวเองจะทําอย่างไรจะต้องเอาศีลธรรมศีลธรรมของพระพติธเจ้ามาเป็นเครื่องเป็นบรรทัดฐานต้องเป็นแนวทางเป็นแนวานก็คืออะไรตัวไหนออกมาทาคำความสัมพันธ์ของพระุทธิจารตัวไหนที่จะออกมาเป็นแนวทา ง, ก, าานนทางก็คือศินห้าศินห้าได้รัเป็นบรรัดฐานของการดูร่วมกันที่จะมาให้คนเบียดเบียกันที่มาให้รัรหอกเรี่ยบกัน พกผมได้เจ้าพันหยัดมาแล้วชิ้นหานเป็นชินของทองรจริงๆถาเรานำมาพิจารณามา ไ, ไตรตองโดยเหตุแลผลแล้วผดา น, นพวกเราทุกๆท่านให้คุไรตรองโดยเหตุแลผลเน่เราที่ส้สร้างคุณงามความดีเราอยู่ในสถานะไหนใหหนการเอาชินหามาเป็นเครื่องชี้ น, นำนาการเป็นการเดเนินขอ ง, ช, ของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราจะราบรึ่ เอายามีที่รับยามีที่แจงเคลียร์กันถ้าว่าดูในที่แจงเราก็ว่าเรามีสินหาแต่พอในที่รับแล้วเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดเราก็พูดไม่ควรจะทำเราก็ทำอันนี้แปลว่ามีที่รับนีที่แจงก็ที่น้ำทำของบุณติจอนไม่มีที่รับไม่มีที่แจง ทำานที่รับก็ผิดทำในที่แย่งก็ผิดถ้าทำใยที่รับมันเอาจับไว้มันก็ร้อนแต่ทำานที่แยง่งในสาธารนณะมันก็ร้อนเพรา ะ, ะนั้นสิ่งปทัของปกปิดจอมปกครองทางกายทางวจาและทางใจ่ปกคลองทางใจคึกแนวหนึ่งที่วองไขมองไม่เห็นก็ปกครองได้แต่กฎหมายมันมันปกคลองได้แต่ ที่มองเห็นคุ้องได้แต่สิ่งที่มองเห็นออได้ยินและคำมองเห็นแต่ถ้าว่าสิ่งที่มองไม่เห็นกฎหมายไม่คุ้มคองคุ้องไม่ถึงป็นมือเขาไม่ถึงแต่ถ้าว่าเขาทำในกฎหมายที่ไมู่้ไม่มีใครเป็นกทีประยัดถึงเขาจะทาผิดกฎหมายก็ไม่รู้แต่ทํามของตุกการเข้าอยู่ในจิตใจหมดเพียงแต่เจ้าิดทานั้น กาไม่ได้ยองงบุญกระทำก็เป็นความผิดของเจ้าแล้วเป็นภพกุศลแล้วจิตที่เป็นจิตทิจใจทิจทิจไปในภพกุศลแวนั่นแหละเป็นบาปแล้วสมมติใจของเจ้าพักเจ้าคิดอยางนั้นถ้าเมื่อเจ้าคิดแล้วจับการกระทําของเจ้าออกไปเจ้าก็ต้องบาปอีกเปอบที่สองพราะการกระทำของเจ้าการที่สามเมื่อเจ้าพูดออกไปเจ้าก็ต้องเป็นบาปกลม ก็จะทั้งคิดทังทัพทั้งสามประวติเข้ามาพระพุทธศาสนาดูธรรมคว่าธํรมธรรรรเงมันอูในจิตใจไอ้โมลธรมอย่างกายกรรมกายกรรมวจีกรมโนกรรมคือการกระทการกระทำทกรมทได้สามทรรบากรทั้งบุญกุศลกรรมทังาปุศกรรม ที่จะหลังไหลเข้ามาชู่เราเข้ามาได้สามทางสามทางนันคืออะไรทางใจทางกายทางวาจาแล้วทางใจจะเข้ามาได้อย่างไรจากตัวประผูใหญ่คือทางใจที่พวกเราตั้งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธทำใจให้สบงบควาใจให้นิ่งทำใจให้เป็นหนึ่งและแผ่ทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นฉันอื่นสัมพสทางอื่นถูกทูลาต้องการความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ครับข้าพเจ้าตั้นาอันนี้เป็นเปิดประตูออกไปแหละใครเข้ามาเป็นบุญเป็นกุศลทันยิงใหญ่การแผ่เมตตาจะต้องพร้อมกันถึงเขาจะตกทุกข์แต่อยากอย่างไรเขาจะมีความสุขอย่างไรเราก็เป็นอย่าไปเหยียบยั้งเขาเราต้องคิดต่อเองอันกำลัของเขาทําทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็ต้อง ตามแสดงเขาถ้าเราทําความไม่ดีอีกครับวันนึงถ้าเราทํำคําไม่ดีทาก็จะมาสสองเราเช่นเดียวกันไม่แพร่ภาพกรรมคำนี้เป็นของกลางพร้อมที่จะให้โทษแก่ทุกคนถ้าใครไปทําเขาแล้วเหมือนกับ ร, ระเบิด ม, มีด ไ, ไม่ว่าคนระดับไหนถ้าระเบิด ม, มีดเข้าไปมีมันไม่ได้เลือกมันพร้อมที่จะปาดแข้งปาดขาคนที่ระเติมหมดเลย กัดแทงเข้าแรงไปพ่งเข้าอยพวกมีมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วอัว น, นี้กเหมือนกันทำคือการกระทำทำกรรมดีทําชั่วนั้นไม่ได้เลือกว่าใครจะทำหรือทำมากยยงงน้อยอย่างไรแคไนไม่ได้เลือกใครพร้อมที่จะให้ผลแก่บุคันนั้นอันนี้ก็คือมโูก ร, รมคือการรือนึกคิดแต่ตายต้อ คือการกระทำทางกายไปคดไปโค้งไปปุนไปยี่ไปเปียไปบังไปข่าวันหลังเท็จมากมายในการกระทำทางกายอาเรียวกายต่ำการกระทำความชั่วทางกายวิจิกรําไปพูดจับจออไปพูดโกไปพูดต่อแลบไปพูดต่อมตุ้งจะเป็นแน่แนวทางเขาในทางเท็จไม่ตรกตอาเรียบเร วิีกรรมรีกรรมเป็นทางความชั่วเข้ามาสู้ตัวเองด้วยสามทางโมิโนกรรมกายกรรมวิธีกรร ม, รรรมแต่้ถ้ า, าว่าเราทำกรรมดีกันอย่างที่ว่ากทท ร, พททระพุทท้งทโพกุโพแล้วก็แพ้วปฏิจจุบกุศลบุมกุศลก็เข้าสู่ใจเราทำกุศลและค ร, รับ มีการอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสูงรู้จักร่ำรู้จักไวอย่างดคุณอดลุกจกักรู้จักการวางตัวไม่ตีเสมอรู้จักทันรู้จักเราและก็มีการเสียสละทำบุญทำทานไหวท่าสวดมนอันนี้ววเออ ร, รีวยกว่ากุศลกรรมแรียกว่ากุศลกรรมคือการกระทาทางกาย่วนกุศลกรรม ทางวาจาวายพาะระศุภมนฉลเชิญพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์แนะนําค้คนให้ไจักดีรือจักชั่รวรู้จักบาปบุญคุณโท่แหนวเดาควจับในการทำมาหาเลี้ยงชีพในเมื่อเขาจะลงผิดเรากพยายามบอกเขากล่าวเขาโดวยวายจาในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นวาจาที่เป็นกุศลธรรมเพราะนั้นถ้าจะว่า ในหลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธจ้าประตูใหญ่ที่จะทากรรมทำกรรมบาปและทำ ม, มันไลเข้มาสามทา ง, ยยางมวลกันน้ำเขาหลั่ไหลเขามาสามทางแต่ทางใจเ่เป็นประตูใหญ่ที่สุดทาวัดใจของเราเป็นกุศลจเจียรเบี้วใจขเราหมดกิเลสเจายรเบีวการกระทาทา ง, ทางกายก็เป็นกุศลทั้งหมดผมหหน้าใหญ่เขาบางคับอยู่แล้ว หัวหน้าเลยคือใจใจเป็น ใ, จใหจใจเป็นหัวหน้ามโนภูมิางธมาธรรมามโนเสถ่ธธามโนกายะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใจไม่ใจเป็นหัวหนาสำเร็จเท่าใจถ้าใจของเรามีเป็นธรรมแล้วอย่างใจบริหารใจของปกติกจ้าการกระทำของท่านก็เป็นผูุ้ศลทั้งหการพูดของท่านก็เป็นกุศลทั้งหมดเพราอยางไรเพราใจของท่านเป็นกุศล ใท่าบริสุทธิแล้วไม่มีอะไรเคลอบแฝงในไทยของท่านแล้วพวะนั้นพวกเราทำทั้งหลายยังมีกิเลสอยู่มีเครื่องสศร้าโห อ, อยู่ในกิตใจแต่ถึงยังไงถึงจะมีแต่เรา็จะให้มันกระโดดกรดแดนออกเกินไปให้สหลักคำคำส อ, สอนของพระพุทเจา้ามาประคับประคองเข้ามาเป็นเชิบรรทัดตัวเป็นแนวทางนำแ น, ำ น, ำนำวางผิด ในการกระทำใการพูดของเราคือคือสินหาถ้าคนมีสินหาเป็นเป็นบรรทัดเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นแนวทางพาดําเนินอยู่แล้วถึงยังไงยังไงก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางจนเร้่องตกเหวตกบอก่อทำความชั่วนมากมายแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีแนวทางคือสินหาที่เข้ามาดูเป็นตัวของเราแล้วทําอะไรได้มากมันจะ ชอ o ที่สุดโต้ชอบที่สุดโตม่ได้มองใครคิดว่าต i วเองได้แล้วก็ใครจะเสียหายยังไงฆ่าม่ได้ชนข้อสำคัญให้ฆ่าได้นี่แหละ ว, ว่าฆ่าได้จะเรียกมันข้อสินข้ข้อสินข้อที่น่าทารุาาย่ยแต่ก็ข้อที่มุสาด้วยมันขสองข้อพราะกหกของเขาตรงตุห ล, ลเขาอั น, น่นหนึ่งแล้วเข้ามาไว้ของเขาเขาไม่รูุ้กที่เขาไม่รู้ เราไปเปลียดบังเขานั่นแหะมันเข้าสิ่งข้อที่ข้อที่สวงข้อที่สี่การที่จะไปฆ่าเขาก็ตามแต่จะไปป้นอนไปฆ่าเขาเพื่อจะยังทิ้งสมบัติของเขาหรือว่าเพื่อจะดขบันดาทรับของเราอย่นมันก็เข้าสินเข้าขายสินข้อที่สี่คือ ป, ป่านานี่แหลเพราะฉะือ่อสินห้าของพระพุทธเจา้าถ้าเราพวกเรานำมาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นสิน ผมของลกจริงๆทั้งโล ก, ล, กลกทั้งโลกมีความเคารพในศิลปธรรมศิลปะประกาศแล้วความสงบผ่เย็นอาสุกจะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราพวกเราจะพัฒนาไปที่ไหนก็พัฒนาไปเ ถ, ถ้าทม่พัฒนาคนจะพัฒนาประเทศชาติทั้งโลกเห็นไหมพวกมั น, เ, นเขาแขงกันพัฒนาโลกและไป็ไนไร ทวันเรโกมันจะแตกสลายวรสัยทัศนเหตุในบกคนขาดคุณธรรมชีวธรรต่างคนก็ต่างกอบต่างคนก็ต่างกลยตามคนก็ต่างเบีต่างบังไม่ชื่อศักดิ์สิอยู่ทั้งสูงก็เกะวยแบบสูงอยู่ทั้งตําก็ะโวยแบบต่าต่างคนก็ต่างกอบต่างคนก็ต่างกยเศรษฐกิจในเมืองไทยสมัยนั้นเป็นยางไงเดี๋ยวนี้เป็นสมัยโลกเป็นยังไเหาวันกระถิน วันกทินวันที่19ที่ผ่านมาหลวงพอกผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อกับเศรษฐกิจเป็นไงเศรษฐกิจลวงพอทำตัวถักลงพอเมื่อีสามเกสีู่นย์นั้นรทัดประทั ด, ทดแต่เดวนี้ระเบิดปรมกลังลงลยระเบิดรมมันกระเทือนอย่างใหญ่หลวที่สุดเลยปรมาณูมันมีต่งประเทศญี่ปุน่น แต่ว่าไปหน่อยเดียวอันเดนมันลงที่อเมริกาแนละ้มันกระเทือนมาทั้งอเมิตกระเทือนกระทั้งเอเชี ย, ยางานยุโรปทบิบอเมริกาทบิบยุโรปทบิบเอเชียมันจะท้าวันไว้ไปหมดมันร้ายกว่าลูกจริดปรมาณูอีกเศรษฐกิจ ศาสนาพุทธสอนให้คนฉลาให้คนใช้ปัญญาไม่ใช่ให้คนโมไม่ใช่ ไ, ไม่สอนให้คนกลัวไม่ให่สอนให้คนประมานอนใจสอนให้รอู้รรอบขอบชิดให้รู้จักใช้ปัญญาในหลักของพทุทธศา ส, สนาเพราะนั้นโลกเรานนู่านพวกเราได้ยินได้ฟังต้องพยายามตรวจตาดูตัวของเราในนัเป็นดั้แปลถ้าากเรา เสยหายลงจมลงไปแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราไม่มีใครที่จะรักเราเยี่งกว่าตัวของเราถ้าเราไม่รักษาถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอในตัวของเราแล้วนีล่ละไม่มีใครที่จะรักเราคุ้มครอเราได้จะทำมากของบุคคลาจาร้์ท่านจะว่าไปแล้วมีมากมายในการเป็นอยู่การของเชื่อกระชัยในแนวความคิดก็ใชัย ในการเป็นอยู่ก็ใช้ทั้งกายทั้งวาจาทางใจเลยเหมะนะืนกันแล้วทางใจนั่นคืออะไ ร, ระพทิจารว่วใจคือพยายามทำจิตให้เป็นหนึ่งทำททจิตให้สงุเม่าจิตสพบก็พิจารณาตรวจตาดูการเป็นอยู่ของเราแล้วอย่าลงอย่าหลงง่ายอย่าลมงัวเมากับโลกเกินไปเพราะโลกไปนี้อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องมีจากเขา เราจะต่อหนี้จากเราอย่างที่ได้กล่าวนฉะนัน้นตัวไหนที่เราจะทำให้จิตใจจนน้บริสุตตามแนวของผูต้ตักววัตถได้เจ้าให้ตัวตาดูให้ดีคือกิเลสราคาโทสะโมหะไปดูในจิตในใจนะถ้าท้อทนกิเลสราคาโทสะโมหะออกจากจิตใจและจิตใจบริสุทธิ์จากนั้นใจบอกบอกวงโคจรของไม่อยู่ในวนะัฏฏนะ ออกนอกวงโคจรของโลกออกนอกวงโคจรของจิเลตจิเลตตามไม่ถึงจิเลตตามไม่ได้จิเลตตามไม่ทันพอออกจากวงโคจรของจิเลแล้วัเข้าแดนรตรตธรมตาดมตรมตมตนีวันยิดพานานประมังสุ ข, ข์มีฐานเป็นสุขอย่างยิง่งเพราะเราไม่อยู่ในวัฏบลถ้าวัดูในวัฏฏตนก็เหมือนกับอยู่ในสิงชาสวรรค์อย่นั้น วนัวันั้งคือทั้งปีทั้งเดินทั้งพบทั้งชาติเกิดมากี้กี่ปพันชาติไปอยู่ในวัฏจรนอยู่อนันแต่เราปลุลออกจากชีวิตาติหาความสุขหดจดจากจเจดอกจากรงจรนะแต่ละขณะในภา n a พระมาณสูญยังสูนเชือ้อเชือ้อตัวจิติเลที่จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดมันสูนแล้วมันดับละ นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือไม่มีที่จะมาบรบกวนจิตใจดวงนั้นจิตใจนั้นบริสุ์แล้วนี่ละธรรมกของพู้ได้าวทางปฏิบัติหรือศึกษาตามแนวทางแล้วมีทีสิ้นสุดสรุปแล้วแต่มีจุดจกมีจุดจกเพื่อการเป็นดูแต่พวกเราทั้งทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังบางทีก็บังทานก็เหมือนนิพพาน ก่อสำเร็จเป็นพระรหารแล้วเหมือนทับคนไปนั่งอยู่ก้าอี้ตึกกทุ ก, กคนเดียวจะหาความสุขสรุกสนานที่ไหนๆจะให้ไอ้พระปกติเดชประสมม์นบขึ้นมาจะทำจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นการเรียนไหวไตเกิดตกในเวทีอัอมหานรกมันร้อนเผาอยู่ตลอดไปลำถึงเวลานะี่ยตัวร่างนั่งยิ่งทุกมากถทำให้าาเราตกใจตก ผมมาโลกวิญลาณเราเจะว่าความทุกตายยังไงใ น, นปุกภูฏาาท่านมองสัพพสัตงหลายในโลกเมื่อกรดตกมาลกแล้วหมกใหม่วนจีรศลายท่านฟสะโมห์เขาจะตลดไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราถอดออกจากตัวน่นแล้วน่นเป็นาสุใ น, นปุกภูฏายาท่านแนะนำสองส่วนพวกเราท่านทลายพราะนั้นพวกเราท่านทลายฟังเอาไว้นะล้วฟังเป็นหลายหลายเงืน่น แล้วก็นำมาพิจารณาไป ต, ต่อดวดยเหตุผ ล, ลจริงไหมสินหาเป็นเครื่องเครื่องคุ้มของโลกแตถ้าโลกขาดศิลป์สินหาแล้วเป็นยังไงสินหาแล้วเป็นแนวทางแล้เป็นแนวทางที่พวกเราจะนํามาหลังวัดเรื่องนี้มาพิจารณาว่าเราในทําตัวเป็นยังไงดีหรือเลวชั่วได้อยังไงไอนน้พวกตัวทำนิสินหาก็มาเป็นเส้นบรรทัดแล้วลวงพ่อว่า กายวักว า, าก็ดีว่าจจก็ดีใจขอเราก็ดีมันจับมัก็เพิ่มรุนแลงจนเกินไปเนื่อนัะถ้ามาเราไม่มีทำเพือในติในใจแล้วมันก็เพิ่มแรงเกินไปนะแต่ทมันมมโมโหโถ้าโกรธห้กรธถ้ารักใ้ ร, รักต่ถ้าเกียดให้ก็เกียดเนี่ยในสุดก็เลยผลที่มันจะทอนย้อนกลับมามหาใจของเรานั้นไม่ไปที่อื่ น, ใ, นใจของเราก็ทนทุก จุดตื้อในิตในใจของพวกเราเพราะนั้นถางว่าเราใช้เอาชินธรรมเข้ามาเป็นเครื่องเลินชีวิตของพวกเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแล้วพวกเราจะประสบด้วความสุขความเย็นใจวันนี้ผมขอให้แนวความคิดเน้นหลายแนยวทางสําหรับพวกเราท่านท่านให้วันนี้ทใานนายอเภอทั้งสองอำเภอท่านผู้กำกับด้วยท่างทั้งทอ อ, อ้วยเอ็นที่มาปัดโคกหลวงทอง วันเลือเป็นวันพระด้วยเอาตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร